ถ้าพูดถึงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยที่ฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รับราชการทั้งหลายนะคะก็คงจะทราบดีว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนนั้นก็จะเป็นเดือนที่มีพี่น้องขอ้าราชการเราจํานวนหนึ่งซึ่งจะครบ เกษียณอายุราชการก็คือเดินทางเข้าสู่สายเลขที่60นะคะก็คือจากเกษียณอายุราชการนั่นเองดังนั้นการมาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23่สิคือในวันพรุ่งนี้ของเดือนกันยายนนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของท่านที่จะรับราชการกับกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าแม้แต่กระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะเพราะว่าในวันศุกร์หน้าซึ่งเป็นวันศุกร์ที่28กันยายนนั้นก็คือ เป็นวันสุดท้ายของการรับราชการของท่านที่เกษียณอายุราชการประจําปีนี้กันแล้วนะคะดังนั้นสําหรับในรายการธรรมราพุนในเช้าวันนี้ดิฉันก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทได้รับทราบว่าเราได้มีโอกาสดีอย่างยิ่งมีบุญอย่างยิ่งที่ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิศิษภากรซึ่งท่านก็เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหสศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาร่วมสนทน า, าธรรมะหรือว่าสาัะชาในรายการธรรมราปรุณนร่วมกับพระอาจารย์ของเราคือท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โน ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรรลีเล่นของอวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้มัส ก, การณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาสุและท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุณโณพร้อมกันเลยนะคะกราบนมสัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อและพระอาจารย์เจ้าค่ะเริ่มก่อริญพกสาธุเจ้าขา สำหรับในเช้าวันเสาร์ซึ่งถ้าสำหรับข้าราชการอย่างที่โยมได้เกลิ่นนะเจ้าคะก็คือเป็นวันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์สุดท้ายละ่ะที่จะอยู่ในในวงการราชการนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าพอเปิดมาทํางานวันจันทร์ที่24ถึงวันศุกร์ที่28นั้นก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดที่จะไม่ปฏิบัติงานต่อไปแล้วดังนั้นรายการธรรมราพุนในเช้าวันนี้มีบุญอย่างยิ่งที่ได้กราบนิมนต์พระเอกพระหลวงพ่อดรศาสตร์ทิตตพัศและท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนมาสักัชาหรือสนทนา น, นั้นโยมก็อยากจะขอความเมตตาว่าอาจะหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะของผู้เกษยียณอายุราชการนะเจ้าค่ะอันนี้คงจะได้มีธรรมะหลายๆประการที่องค์พระธรรมสัมพุทธเจ้าได้เคยทรงตรัสไว้อันนี้ก็โยมคิดว่าจะเป็นขวัญกําลังใจอย่างดียิ่งนะเจ้าคะสำหรับผู้ที่จะเกษยียณอายุราชการไม่ว่าจะาเพราะอายุ60ปีหรือว่ามีเพื่อนๆพืพข้าราชการเราอีก อีกพวกหนึ่งนะเจ้าคะที่จะเรียกว่าเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดหรือที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่า early retire ซึ่งก็เป็นอีกจํานวนหนึ่งสำหรับคนประชาสัมพันธ์นี้ก็มีอยู่ประมาณสามสิกว่าท่านได้เจ้าคะ่ะสาิบเจ็ท่านถ้าโยมจําตัวเลขไม่ผิดนะเจ้าคะ่ะก็ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อดสรสอาจิตถภโสและพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุโนโดได้สากรากันในเรื่องนี้นะเจ้าคะ่ะซึ่งก็คงจะพูดถึง พูดถึงเรื่องของการเกษยียณอายุราชการนี้คงจะต้องพูดถึงมนุษย์เราในวัยต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็จะพระพุทธเจ้าแบ่งวัยของมนุษย์เนี่ยเป็นสามวัยเจ้าค่ะก็คือมีปฐมวัยมัชชิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยปฐมวัยนี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติอายุมนุษย์ประมาณสักร้อยปีเก้าสิบปีเนี่ยนะเราเอามาหารสามหารสามช่วงปฐมวัยก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งสาสิบ ใช่ไหมสมกว่ากว่าส3 3 3ิบนะแล้วเ ป, ป๊ะหันก็คือ1ไึ่ในของ100่ช่วงที่2ก็คื อ, อถึง6กตั้งแต่30ถึง60แลช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงปัจชิมวัยเนี่ยก็คือ60ไปแล้ว60ปีขึ้นไปนะจ๊ะค่ะจ้ค่ะซึ่งตรงนี้ทำให้ในวงการราชการก็ตามหรือวงการอะไรเขาก็จะนิยมกเกษียณคนที่อายุ6กเพราะมันเข้าสู่วัยสุดท้ายแล้วว ใ, ใจก็เรียกว่า ปัจฉิมวัยวเจ้าค่ะอ่าอย่างวัยต้นเนี่ยอคือปฐมวัยเนี่ยนะเราก็วัยกลางนี่คือมะชิมวัยใช่ไหมเหมือนอย่างปัจฉิมมะชิมะไวปัจฉิมะไวแล้วก็สุดท้ายคือปัจฉิมะไวเจ้าค่ะก็ในช่วงต้นกับช่วงกลางนี่ก็ทํางานไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือบ้างคนบางคนเรียนปริญญาโทยังใช้มะชิมวัยในการเรียนปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมจนมาทํางานสุดท้ายคือทํางานไปจนถึงช่วงปัจฉิมวัยเขาไม่เอาคุณแล้ว อ่าอย่างอาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วเขาไม่ขอาคุณแล้วงั้นะไอ้เพราะงั้นเราจะไปทําอะไระค่ะอเราจึงต้องการจะใช้สองวันเนี้ยมาคุยกันจว่าพออาทิตย์หน้าคุณไม่ต้องมาทํางานแล้วนะคุณจะทําอะไระมีหลายหลายกรณีที่เคยเห็นแล้วคุณเดินใจเขาก็เสียไปอย่างเงี้ยไม่รู้ทําอะไรชีวิตสังกตาอยู่ไปบีสองปีก็ ปรชมเมไวยก็หมดเหมือนกันนะเจ้ค่ะคือเช้าแล้วก็อ่าหมดประชิมเมไวยไปแค่หกสิาหกสิบสี่อย่างเงี้ยเอ่อเจ้ค่ะก็คือตายละเจ้าค่ะก็มีเราก็เคยเห็นเจ้ค่ะในระดับผู้อำนวยการประหลัดหรือรองประหลัดก็เป็นเหมือนกันเจ้ค่ะอ่อทีนี้เราจึงได้จะมาพูดคุยเรื่องตรงนี้ด้วยเจ้ค่ะว่าที่ผู้เจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับอถ้าเราประมาทไว้ในตบมื่อใคือมีสามใบเนี่ยชักใวใดใวหนึ่งเนี่ยขอให้ประมาทเจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องของความประมาทนี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะไว้ทั้งสามนี่อย่าประมาทในไวบใดใบหนึ่งก็ยังดีถ้าประมาททั้งสามใบคนนั้นผิดหวังเลยไม่ได้ประโยชน์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ท่านให้มาทําบุญทํากุศลสั่งสมนมความดีปฏิบัติธรรมบําเพ็ญความดี แต่สามวนี่เราประมาททั้งสามวัยเลยเราก็ชื่อว่าเป็นคนที่ไร้ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างตัวอย่างที่จะเห็นชัดๆเลยนะอย่างปฐมวัยอย่างเงี้ยถ้าคุณประมาทเนี่ยนะคุณเรียนไม่จบออืค่ะเรียนไม่ได้เรื่องแล้วก็เกเรนี่คือคนประมาทในปฐมวัยเราเห็นอยู่มีอยูอ่สอบเข้าที่ไหนก็ไม่ได้เนี้ยงสือก็ไม่เก่งไม่เอาไหนเกเรเสพยาเสพติดมีนะในปฐมวัย แต่คนแบบนี้เนี่ยพอเขามากลับตัวได้ในมัชชิมะไวก็มีทําการค้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีความคิดสร้างสรงรค์พลิกชีวิตขึ้นมากลายเป็นคนประสบความสำเร็จในมัชชิมะไวสี่สิบ้าสิบก็ประสบความสําเร็จทั้งที่ททช่วงต้นของชีวิตนี่เรียนไม่เอาไหนถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็มีถูก ไ, มไมหมแสดงว่าในมัชชิมะไวเนี่ยเ ข, า, ข, า, ขาไม่ประมาทแต่ปฐมวัยเขาประมาทไปแล้วใช่ไหมผู้เชี่าก็ยกย่องบุรุษประเภทนี้ว่าเอออย่างน้อยมัชชิมะไวเขาไม่ประมาทนะอ่า ตัวนอย่างคนที่มาสู่ระบบราชการได้มีการการทำํำแสดงว่าอย่างน้อยคุณไม่ได้ประมาทในช่วงต้นนะเพราะต้องเรียนจบอะไรบ้างใช่มใช่ จ, จังเมันต้องสองบ้างสามบ้า ง, างนี่นะเจ้าค่ะหรือว่าคุณบรรจุเป็นข้าราชการอะไรต่างๆคุณทํางานจนกเกษียณได้แสดงว่าเขายังเอาคุณอยู่ไม่ไล่คุณออกกลางคันนะค่ะคือบางคนเราเห็นช่วงปฐมวัยนี่ไม่ประมาทละเรียนจบดีแต่พอมามัธยมวัยอไวกลางเนี่ยไปทําอะไรไม่ดีไปโกง ไปทําอะไรที่ผิดระเบียบวินัยราฐการถูกไล่ไออกก็มีนะเจ้าค่ะบางคนสี่สิบห้าสิบทำไม่ถูกเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับ น, น, นักการเมืองที่ไม่ดีกลายถูกไล่ออกกลางคันโอ้โหติดคุกติดตารางเราก็เห็นนะเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงต้นคุณไม่ประมาทแต่มาชีะวะวัยคุณมาประมาทโอ้เสียดา ย, ชยใช่ไหมก็ทําให้ชีวิตเสียไปเสียไปใช่ชค่ ะ, ค ะ, ะเพราะฉะนั้นในสามวัยเนี่ยตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ปัจฉิมวัยนะสุดท้ายแล้วนะเจ้าค่ะหกสิบขึ้นไปเนี่ยเราจะทำไงให้ชีวิตเราไม่ประมาทตรงนี้อ่า ซึ่งก็คือเรื่องที่เราจ ะ, จะพูดคุยในเสาร์วันที่นี้นะเจ้าคะนัยยะของความที่ไม่ประมาทเนี่ยพุทธเจ้าโดยพุทธวจนะนะเอาเราพูดถึงพุทธวจนะก่อน <Okay. S 2> ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือว่าแลเราจะรักษาจิตของเราอย่างไงไม่ให้ไหลไปตามสิ่งที่มายัว่วยวนสิ่งที่มาหลอกลวงถ้าพูดกันภาษาประชาบ้านก็คือมานที่จะมาคอยดึงเราไปในทางไม่ดี <Okay. S 2> ให้เสื่อมเสียให้เสียหายให้ มีจิตตกต่ำให้มีความคิดไม่ดีอย่างนี้เนี่ยถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้ก็ชื่อว่าไม่ไม่ประมาทแต่เราพูดถึง อ, องค์ประกอบของบุคคลที่จ ะ, กะเกษียณก่อ น, น, นว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างที่จะจะเจอเจอมาเนี่นะคือเพราะว่าความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกายคือตั้งแต่ามาชิมวัยมาปฐมวัยมาเลยนะจนถึงวัยกลางคนสี่ิบห้าสิบเนี่ยเราพบว่า ร่างกายของเราเนี่ยช่วงเป็นวัยรุ่น ม, มันก็แข็งแรงขึ้นมาใช่ไหม <Okay. S 2> จากเด็กมีกําลังน้อยแต่ตั ว, วตมีกําลังมากขึ้นพอมีกําลังมากขึ้นคุณเรียนจบเขาให้คุณรับผิดชอบงา น, นทํางานอยู่ในตําแหน่งนี้ต่อไปคุณรับงานมากขึ้นรับงานมากขึ้น <Okay. S 2> คือเหมือนกับภาระเนี่ยมันแบกไวมก้มากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่งานเล็กๆน้อยๆทาไปออกต่อไปคุณเป็นลูกน้องธรรมดาต่อไปคุณเป็นหัวหน้าหน่วยต่อไปหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกหัวหน้ากรมแรงต่างใช่ไหมพาระมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เราจึงจะพบว่าพอเราทํางานไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะเพราะว่าภาระมันมากขึ้นแต่พัฒสุขภาพเรามันเริ่มแย่ลงคะค่พอสามสิบไปแล้วเนี่ยสี่สิบไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มละให้ตื่นมาทําไมปวดหลังลุกไม่ขึ้นนะเดินไปทําไมปวดเขานั่งลุกนั่งต้องพยุงอย่างเงี้ยคทุกคนจ ะ, จะเจอสภาวะนี้ยิ่งเข้าสู่ปชิมวัยอย่างนะเงี้ยนะเจอแน่นอนเพราะนั้นไอ ร่างกายที่มันเสื่อมถอยลงนะการงานที่มันมากขึ้นเขาจึงไม่เอาแล้วไงที่บอกไงคุณเตยใจถ้าถ้าคุณแข็งแรงขึ้นงานคุณมากขึ้นอันนี้เขาก็ยังจะเก็บคุณไว้อยู่แต่เพราะว่าร่างกายคุณก็เสื่อมถอยลงความจําอย่างเลอะเลือนเลยบางทีอ่าวันนี้ต้องทําอันนี้โอ้ลืมมัลนะ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ก็ลืมอีกอมีนะคนใกล้หกสิบเนี่ยเจเพราะนั้นก็เขาก็เลยไม่เอา นะให้ไปหยุด์้ก็คือตั้งกฎว่าทำงานรับราชการมานี้ยอย่างที่พระอาจารย์และหลวงพ่อได้บอกนะเจ้าค่ะว่าเวลาเราจะเขา้าหมายถึงว่ากว่าจะมาถึงามาชิมวไวก็คือวัย3 0 -60 ปีเนี่ยที่เป็นหลังจากเรียนจบมาแล้วจากปฐมวัยนะเจ้าค่ะก็การเข้าเป็นข้าราชการนั้นเนี่ยแน่นอนคือเราต้องสอบเข้าเจ้าค่ะก็คือ พวกที่เป็นข้าราชการทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถถูกไหมเจาค่ะีเดียวเจ้าค่ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมามาได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะธรรมดาที่จะมาเป็นอธิบดีรองอธิบดีนะเจ้าค่ะเขาคนรับผิดชอบจรงเจ้าค่ะทีนี้ระหว่างที่รับราชการมาเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์และหลวงพ่อได้ได้ได้เกิดมาหรือว่าเล่ามาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือว่าเราก็ต้องไม่ประมาทอย่างที่หลวงพ่อและก็พระอาจารย์ได้บอกถ้าเผื่อในวัยปฐมวัย โยมขอนญาตสรุปว่าปฐมวัยนั้นก็คือวัยตั้งแต่เราเกิดมาเลยหนึ่งหนึ่งขวบจนกระทั่งถึงอายุสามสิบนั่นก็คือเป็นช่วงที่เราจะรเริ่มเรียนหนังสือหาวิชาความรู้อะไรต่างๆแล้วก็เริ่มต้นทำงานถูกันเจ้าคะใช่ถ้าเผื่อเราไม่ประมาทตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยโยมคิดว่าก็จะเป็นบุญหนุนส่งหรือว่าทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความสามารถพอที่จะ สอบเข้าเป็นข้าราชการได้พอรับราชการเนี่ยเรื่อยมา30ถึงกว่าจะถึง60ปีซึ่งเขาถือว่าเป็นปัชิ ม, มวัยที่ทางการเนี่ยได้กําหนดว่าอาจจะต้องเกษียณอายุราชการคือให้หยุดทํางานนะเจ้าคะ อ, าอันนี้เป็นเรื่องสมัยก่อนนะเจ้าคะแต่สมัยนี้เจ้าคะ่ะก็ยังมีข้าราชการอีกเป็นจํานวนมากมที่ว่าเนื่องจากอาจจะเป็นวิวัฒนาการด้านของการแพทย์อะไรต่างๆการดูแลรักษาตัวเนี่ยก็จะเห็นมากต่อมากว่าข้าราชการที่ พอจะหกจะเกษียณเนี่ยเจ้าค่ะหลายคนก็ยังมีสุขภาพดีจิตใจดีด้วยนี<ม>เจ้าค่ะแบบสามารถยังทํางานได้อยู่<ม>ดังนั้นเนี่ยราชการก็เลยบางสายอาชีพยอย่างเช่นทางด้านศาลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>ก็แทนที่จะเกษียณอายุราชการ60ปีเพราะท่านสะสมท่านพูดภาษาเนี่ยมียิ่งแบบตัดสินคดีเยอะมีประสบการณ์เยอะก็ทางศาลก็จะไป ไถึง65หรือ70 อ, อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เป็น อ, อีกส่วนหนึ่งอันนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องของบุญกุศลอะไรต่างๆไหมเจ้าค่ะที่ว่าถ้าเขาประพฤติปฏิบัติ ด, ดีตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้สั่งสอนไว้อันนี้โยมโยมกลับนิมนต์ถามนะเจ้าค่ะว่าถ้าอยู่ในศีล คือปฏิบัติศีลห้าทำจิตใจให้ดีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกไม่อะไรต่างๆไม่ช่อราดบังหลวงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าพระอาจารย์และหลวงพ่อก็คงจะได้พูดสักคาถาให้ฟังว่าถ้าเผื่อปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างนั้นเนี่ยพอถึงวัยที่เราจะต้องกเกษียณอายุราชการไปเนี่ยเราก็จ ะ, กะเกษียณไปอย่างดีนะเจา้าค่ะจิตใจก็ดี ม, มันมันเป็นย<า>ี ค, คุณเนใจคือว่า ในวัยที่พระเจ้าบอกสามวัยเนี่ยพระเจ้ า, าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าตัวเลขเท่าไหร่แล้วพอเราไปดูในในยาที่พระเจ้าพูดถึงอายุไขที่ทเหลือรียกว่าเป็นกับของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันออย่างพระอนน์เนี่ยหกับของพระอนนอ120คือร้อยยี่สิบปีส่วนหนึ่งกับของพระพุทธเจ้าก็จะเกิน80สปีอยู่ทีนี้ก็แล้วแต่คนแล้วในช่วงปฐมวัยปัจจิมวัยเนี่ยแล้วก็ปัจจิมวัยเนี่ยบางทีมันก็ไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างคืนหนึ่งเนี่ยในคืนหนึ่งตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเนี่ยเราสมมติเอานะบางคนเนี่ยแบ่งปฐมวัยของแต่เขาเรียกว่าปฐมยามของกลางคืนเนี่ยคือตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยหลังสามทุ่มไปที่เราว่าเข้าสู่ยามกลางแล้วบางคนแบ่งนี้บางคนก็แบ่งสี่ทุ่มบางคนก็แบ่งตั้งแต่สองทุ่ที่มันแล้วแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนใช่เพราะนั้นไอปฐมวัยของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความแข็งแรงหรือความลดทอนของกําลังเนี่ย มันอยู่ที่บุญตรงนี้ด้วยที่คุณจะตัดใจอมว่าถ้าเรารักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันช่วยตรงนี้ใช่ชคคนะเพราะว่าเราจะที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าทําบุญแล้วจะอายุยืนนะนคคะอายุวัตโกอายุวัตโก์คนทําบุญไว้อายุยืนมันก็จะช่วยหนุนตรงนี้ว่า อ, อายุเราจะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าอายุคุณยืนไปเนี่ยไอ้ช่วงมชิโมบยัยหรือของคุณเนี่ยก็จะยาวอาจจะเกิน60ก็ได้คคะนะเราก็แสดงว่ากําลังวังชาความสามารถของคุณยังไม่เสื่อมถอย แม้ตัวเลขจะหกสิบแล้ว ใ, ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเรานี่มีบุญนะไม่ใช่บางคนสี่สบห้าสิบก็เบลเลอร์ล ะ, ละใช่น ะ, ะแต่เราหกสิบนี่ยังแข็งแรงมีกำลังวังชาสามารถช่วยเหลือพระานาแผ่เทศชาติแสดงว่าคุณ น, นี่มีบุญนะอายุไขของคุณแจว่าไม่ใช่แชค่เก้าสิบถ้าเราทําดีๆต่อไปก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆอันนี้คืออนุมานเอาจากสิ่งที่เป็นพระวชนที่พระเจ้าตรัสไว้นะทีววนะ <Okay. S 2> นี้กลับมาถึงประเด็นที่หลวงพ่อได้พูดถึงว่า เ, เราจะไม่ประมาท ในช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายก็แล้วแต่จุ๊บ่ะทีนี้พอเรารักษาชีวิตของเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความไม่ประมาทเนี่ยนะคุณเตืนใจมันมีหลายเนยื้ยอะค่ะอย่างถ้าเราพูดถึงในสายของค า, ารวาที่ทํางานทําการคุณทํางานอย่างดีคุณไม่โกงคุณไม่ด่าใครเม้าใครคุณทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและทางานอย่างเต็มความสามารถอันนี้คุณไม่ประมาทในเรื่องของการงานจุ๊บคะในขณะเดียการทางด้านของจิตใจอาจจะประมาทอยู่อาจจะชิดจัดเพี้ยงตังบ้าง ครอบครัวอาจจะรักษาไม่ดีบ้างยังไงก็ค่อยพระประครองมาที่พอมาถึงในอ่ปัจจิโมบัยเนี่ยเราจะเริ่มว่างมากขึ้นแหละเอะเราทุกควรจะมาสํารวจตัวเองว่าเออตรงไหนที่เรายังประมาทอยู่บ้างเราได้ทําบุญทํากุศลสร้างสมความดีหรื อ, อยังออืต้องคิดถึงหมดนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าเกษียณอายุแล้วกเขาวัดฟังธรรมจาศีลภาวนานี่ก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ก็จะมีความสุขในชีวิตไม่งอยเงาว่ง <Okay. S 2> ั้นเถอะค่ะอไปนั่งสมาธิหาดนั่งสมาธิบ้างหรือทำบุญทำบุญบ้างก็จะเป็นปัจจัยให้จิตใจนี่ละเิงยินดีมีความสุขคือคือบางคนในช่วงต้นกับช่วงกลางเนี้ ย, ยประมาทในเรื่องของการพัฒนาจิตใจชใช่ไ ม, ไมพอมาช่วงปลายเราเริ่มมาพิจารณาตัวตัวเราเองก็พบว่าเออเรายัางประมาทตรงจุดนี้ เราก็ไปทาเพิ่มก็พิจารณาตัวในเรื่องนี้แล้วทีนี้สําหรับผู้คนที่ากาาําลังจะเกษียายุเนี่ยที่เรามาได้พูดถึงกําลังกายเนี่ยมันเริ่มลดถอยลงนะกําลังกายมันเริ่มลดถอยลงเราดูจากนี้ก็ะแ ด, ด่ว่าสุขภาพเรามันมีแต่จะปวดมากขึ้นมีแต่จะเจ็บมากขึ้นมีแต่จะเมื่อยมากขึ้นนะมันไม่ได้มีจะสบายขึ้นเลยต่อให้กินยาอะไรอาหารเสริมแบบไหนใช้ครีมอะไรทา มันก็ยังมีร่องรอยมีความเสื่อมถอยมีอาการลดทอนให้เห็นอยู่ชัดๆ <Okay. S 2> นะไปหาหมอมันก็ดีขึ้นมาช่วงที่กลับมาจากหาหมอไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เป็นอีก <Okay. S 2> อันนี้เป็นสิ่งที่คอยเตือนสติเราแล้วว่าสุขภาพกายเราเสื่อมถอยเราจะทำยังไงคือถ้าทำยังไงนี่หมายถึงยังไงนะคือหมายความว่าถ้าคุณจะไปหาหมอมันก็ทำได้เท่าที่ วิธีการการการแท้มันจะทําได้นะมันก็คงจะไม่เกินสักสี่สิบห้าสิบปีไปจากนี้เอาจากนี้คนที่เกษียณน่ะจะมาฟันธงเลยว่าอยู่อีกไม่เกินร้อปีคุณไม่เกินร้อยหกสิบปีไม่มีทางเพราะในช่วงนี้จะไปสมมุติคุณอยู่ได้เอาซะอีกเก้าสิบปีไปถึงร้อยห้าสิบปีเอ้ในช่วงอีกห้าสิบปีนี้เราจะทํำอะไรนี่เมื่อกําลังเราจะลดทอนทุกวันทุกวันนะเอมันมีอยู่สองส่วนคือใน ในร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนที่เป็นเรียวร่างกายนั่นะคือส่วนที่จับต้องได้กับส่วนที่เป็นจิตใจในะจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยอ่อนไปตามร่างกายนะอย่างสมมุติเราทํางานอย่างเงี้ยตอนเย็นเรากลับมาจากที่ทํางานเรารู้สึกเหนื่อยอยู่ก็จริงนะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะกลับมา4วันหวันเราก็มีกําลังใจขึ้นมาใหม่เงี้ยมันก็เปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงได้ฮะแต่ดังที่ร่างกายเราลดถอยลงแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกําลังฟื้นขึ้นมาได้ คล่องตัวกว่ากายเจ้าค่ะดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทําฝึกจิตของเราเนี่ยให้ยิ่งมีกําลังมากขึ้นคือหมายความว่ากายเสื่อมถอยแล้วไม่เป็นไรแต่ให้จิตเนี่ยมีกําลังมากขึ้นไหมเจ้าค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจิตมีกําลังเราให้อาหารแก่จิตก็คือการทําความดีให้ฐานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาจิตใจก็จะมีความสุขความล่าเริงอไม่ผิดหวังในการมาเกิดเป็นมนุษย์ เจ้าค่ะคือจิตใจก็จะแจ่มใสขึ้นนะเจ้าค่ะใช่จิตใจก็แจ่มแจ่มใสขึ้นไปจ้าค่ะทีนี้อันนี้สงส์สําหรับการที่ยมคิดว่าคนที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือหันหน้าเข้ามาในทางที่เป็นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ตรัสสอนไว้นะเจ้าค่ะยมคิดว่าน่าจะก่อน ปัจจิมวัยคือก่อน60ปีนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าในช่วงมัชมะวัยคือวัยกลางคนของเราตั้งแต่30สิปีขึ้นมาเนี่ยถ้าเราหมั่นฝึกมาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอันนี้จะทําให้จิตใจเราเนี่ยคือดีขึ้นมาโดยที่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเราโดยที่เราไม่ต้องบังคับใช่ไหมเจ้าค่ะใชเป็นงานเจ็ดพันเพรเจ้าค่ะเราเราดูตรงนี้ก็ได้คือบางคนเนี่ยสุขภาพกายนี่มันเสื่อมต้อยแล้วริ้วรอยปรากฏหมายความความสามารถทางน้ากายเริ่มลดลง ในขณะที่ร่องรอยหรือรอยของร่างกายตาเตอรอะไรมันโบท็อกต่อยให้กี่เข็มมันก็ไม่อยู่แล้วอะไนี้น ะ, ะแต่ว่าถ้าจิตใจของคนนั้นเนี่ยไม่มีธรรมะพ่นไฟขี้บน่นก็จะเป็นคนแก่ที่ขี้บนด่าว่าจุกจิกจู้จี้ลูกหลานไม่รัก <Okay. S 1> เพราะว่าความที่จิตของเขาก็ไม่มีกําลัง <Okay. S 1> แต่ถ้าจิตมีกําลังหมายความว่อะไรคือจิตเราจะมีเมตตาอยู่ตลอด นะแเมตตาต่อลูกน้องลูกหลานเพื่อนฝูงเขามาคุยก็มีความสบายใจอย่างเงี้ย <Okay. S 2> คนแก่คนนั้นเนี่ยที่เริ่มเข้าสู่ปวัปชิมวัยวยปลายเนี่ยก็จะมีราศีมีเหมือนกับความงดงามทางธรรมะที่ช่วยให้ความเสื่อมถอยทางร่างกายเขาเนี่ยมันดีขึ้นมา <Okay. S 2> แต่ตรงนี้คือกำลังจิตที่เราจะต้องคอยฝึกที่คุณตื่นใจพูดถึงประเด็นทีว่าเอ๊ะมันทําไมจะต้องรอให้ถึงตอนนั้น <Okay. S 2> ทําไมต้องแล้วคนที่ยัง อีกยี่สบสมสิบปีกว่าจะเกษียณอายุราชการเนี่ยคุณทำเลยก็ได้ตรงนี้เป็นเป็นประเด็นที่คิดว่าจะพูดพวันี้อยู่ <c oughs> เอาพูดวันนี้ก็ดีผมว่าตรงที่ว่าคนที่ยังไม่ร่วม ง, งานเกษียณอายุของเขาอ่ะคุณได้เห็นอะไรไหมหรื อ, อมไม่ก็ไปร่วม ง, งานเกษียณอายุของเขาก็กินเล่นเที่ยวไปแฮ ppy แฮป p y ไปแล้วก็จบผ่าน โ, โดยไม่ระลึกถึงอะไรว่าเอ้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้สักวันเจียค่ะพวกนี้เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อเจ้าขา เป็นความไม่เที่ยงของชีวิตเราต้องรู้จักวิธีแกไ้ไขต้องหาศีลหาธรรมเข้าใส่ใจต้องหาบุญหกุศลจึงกะระสมควรเจ้าค่ะพ่อมันมันเป็นอย่างนี้คือคนที่ไปร่วม ง, งานอย่างเงี้ยนะคนที่ยังอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงกลางก็ตามเห็นงานนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าให้ตอนตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ออกบวชเป็นผลิตสัตว์อยู่ในวังนะั้ง ก็เห็นหนางสนมคนหนึ่งในวังดุจใจเขาก็ยังสาวอยู่เลยนะเล่นดนตรีเต้นฟ้านรำอะไรอย่างนี้ยเขาก็มาพูดรับหลังคนแก่คนหนึ่งบอกโอ้ย oh, oh, ดูสิเธอคนนี้แก่แก่หนังก็เหี่ยวผมก็หงอกตัวก็คล่อมอี๊น่าเกียดรังเกียจะนะจบริษัท ต, ตอนนั้นเนี่ยก็เลยมาพิจารณาดูไปเฮ้ hey, คนที่พูดนั่นนะ่ะนะก็จะต้องแก่นะต้องมีสภาพยอย่างนั้นสักวันหนึ่งให้ทําไมไปรังเกียจล่ะ ตัวเองต้องเจอปัญหานี้แต่ไม่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งโวยไม่ได้เลือกตัวเราเองหมายถึงตัวพระพุชธเจเองตอนนั้นเป็นบริษัทอยู่ก็ต้องเจอปัญหานี้เหมือนกันนะเอ๊แล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราต้องเจอปัญหานี้แล้วเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีคุณอยู่กับปัญหาคุณไม่ทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นบริษัทก็จึงคิดหาวิธีที่จะทําัไงถึงจะแก้ปัญหานี้ให้คนที่ไปร่วมงานเกษียรอายุอ่ะ คุณสักวันต้องเจออย่างนะี้นะเจ้าค่ะเอ๊ะเราจะทำไงตอนนี้เพื่อที่พอเราถึงวันนั้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขได้เจ้าค่ะนี่แหละคือตรงที่เราจะต้องไม่ประมาทในการที่จะสร้างจิตของเราให้มีกำลังเมื่อวันที่ความเสื่อมภอยมาถึงเราจะทำไงให้จิตเรายังมีความผาสุขได้ไจ้ค่ะนะตรงเนี้ยอย่างสมมุติการงานที่เราเพิ่มขึ้นคุณไปศึกษาหาความรู้เรีนเนยนริญญาโท อ, อ่แล้วก็ไปสัมมนาะอะไรต่างๆนะ มีความรู้มากขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะทางวิสัยของการทํางานาในขณะเดียวกันจิตของเราต้องฝึกด้วยการทําไงที่ให้มีสตินั่งสมาธิบ้างให้อาหารใจบ้างนะอาหารสมองเนี่ยโดยการไปเรียนโดยการไปอ่านหนังสือเนี่ยให้มีแล้วก็ทำไปตามาสายงานใช่ไหมอาหารจิตเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารกายเรากินข้าวทุกวันนะอาหารสมองคุณหาหนังสือหาความรู้ใช่ไหมอาหารใจละ่ะให้ไหมอาหารใจอาหารจิตเนี่ยก็คือไปนั่งสมาธิบ้าง<ๆ> อยู่ในศีลธรรมบ้างนะดาว่าการให้เลน้อยหน่อยแล้ว่ารักษาความสงบในใจนะมีความเมตตาซึ่งกันและกันพอเราไปถึงวันนั้นเราจะมีผู้ที่มาปะสุกอยู่ได้บางคนนะคุณตนใจคนกเกษียณเนี่ยเพื่อโรงงานหลายๆคนก็ดีแล้วแ ก, ะกะเกษียณเป็นอย่างนั้นคือไล่ไล่กันไปเลยอในขณะที่บางคนอไม่อยากให้ไปเลยอยากให้อยู่ต่ อ, อทําไมเกษียณเร็วจังอย่างเงี้ยเฮ้ยทาไมเราจะไปแล้วกูหนือกับไล่หลังเรา ในขณะที่อีกคนหนึ่งเราจะไปไล้คุณเขากับคิดถึงจ้าค่ะคุณทําอะไรมาล่ะในช่วงต้นกับช่วงกลางคุณทําอะไรมาคุณทาความดีหรือเปล่าถ้าคุณทาความชั่วเขายิ่งไล่คุณไปรีบไปเลยเลยเออร์ลี Early, ่หรือเอรไปเลยจะนะแต่ถ้าเราทําดีใช่ไหมเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียน ม, มีเ ม, ม, ม, เมตตาจีบใกล้เอินดูเนี่ยเขาจะคิดถึงเราเขาอยากให้เราไปหกสิบแล้วเขายังอยากมาให้มาอยู่แล้วกลับมาเยี่ยมสํานักงานจีไรเขาก็าคิดถึงมีอะไรมาฝากกันอย่างเงี้ยจะ ม, มีสัมพันธ์ที่ดีกันนะ ในขณะที่บางคนนี่ไปแล้วไปเลยะนะดีลบออกจากความทรงจำไปงั้นเราจะทำยังไงก็ฝึกจิตเรา อ, อย่างเงี้ยน ะ, ะให้อาหารทั้งสมองด้วยให้อาหารกายแล้วใช่ไหมพัลลัมั ย, มยให้อาหารจิตสา ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการให้อาหารจิตนะเจ้าคะ่ะ<ม>พระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมก็อยากจ ะ, ะกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์เลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกจิตต่างๆโยมถามในกรณีที่สำหรับคนที่อาจจะแบบว่า สนุกสนานมาแล้วเจ้าค่ะไม่ทันได้นึกเลยอันนี้เราพูดถึงในแง่แบบว่าสุดโต่งนะเจ้าค่ะว่ายังไม่ได้เตรียมจิตใจมาเลยแต่กําลังจะเกษียณอยู่ภายในปีสองปีหรือว่ากําลังจะไปเกษียณอยู่ในภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะยังพอมีเวลาทันใช่ไหมเจ้าค่ะที่ว่าจะปรับจิตอย่างไรบ้างก็นิมนต์หลวงพ่อแนะนําเลยเจ้าค่ะในช่วงเวลาอีก3านาทีสุดท้ายมสาธิเจ้าค่ะอืเริ่มต้นเริ่มต้นเจ้าค่ะเช่นอย่างกําหนดลมหายใจเข้าออกเจ้าค่ะลมนี่เราหายใจเข้าออกมาตั้งแต่ แต่ต้นนั่นแหละตั้งแต่เกิดนั่นแหละเราหายใจเข้าออกทีนี่เราหัดใจของเราให้อยู่โดยการคอยกำหนดรูลมหายใจเข้าออกจิตใจเราก็สบายพอใจเป็นสมาธิแล้วไม่มันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไม่โมโหง่ายไม่มีอะไรที่ยุ่งเหยิงในใจอืจิตใจสงบดีก็ไม่ต้องบน่นตอนเช้า <c oughs> ไม่ต้องบน่น <c oughs> ไม่ต้องว่าใคร เข้าสมาธินั่งสมาธิไม่รบกวนลูกหลานไม่ไปยุ่งกับเขาใช้ชีวิตของเราให้จุ่บศีลกับธรรมตั้งอยู่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในข้อวัตปฏิบัติอันดีอย่างนี้่หรือไม่ก็หัดสมาธิให้มันเจริญขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานมันก็ยิ่งดีเป็นไวที่เราว่างงานแล้วเราก็ทําความดีให้กับตัวเราเองให้หาที่พึ่งทางใจกับเรา เพราะว่าเราไม่ใช่เกิดเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวจะต้องเกิดอีกหลายพวกรายชาติเราจะไปเกิดต่ำเกิดสูงก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทําบุญทาบาปไปเท่าไหร่เพราะนั้นก็เมื่อถึงวัยนี้แล้วก็ควรจะยังไปรอวัยต้นต้นก็ประมาทอยู่วัยกลางก็ประมาทอยู่วัยสุดท้ายก็ต้อง ทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พ่อเป็นไปที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู่โลกหน้าอยู่แล้วจ้ะก็คือว่าแม้ว่าจะประมาทมาในวัยปฐมวัยนะจ๊ะคะแม้แต่อ่ามาชิมวัยคือใบกลางกลงเนี่ยระหว่าง 30- มสิถึงหกเนี่ยรับราชการมาเมื่อสักครู่อาจารย์ไพบูรลบอกว่าบางคนบอกให้อาหารใจหลายคนอาจจะบอกอาหารใจของฉันคือไปเที่ยว ไปเที่ยวเทกบ้างไปนู่นไปนี่อย่างนี้เจ้าค่ะมีแต่เรื่องสนุกสนานที่เป็นเรื่องผัด ส, สะภายนอกทั้งนั้นเล ย, อนนเยตอนนี้เจ้าค่ะ อ, อันนั้นเป็นคนลืมเกลเจ่แต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาถึงวัยเรียกว่าปัจฉิมไวไัยวัยสุดท้ายจริงๆเนี่ยที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะเข้าตําราที่ว่าเขาบอกต้องหันหน้าเข้าวัดละคือทําจิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่ไหมเจ้าค่ะก็ต้องเริ่มฝึกจิตเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อแนะนําก็คือว่าแม้แต่ว่า ขณะนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนเราก็ต้องทำตัวให้อยู่ในศีลในธรรมฝึกจิตเราตั้งแต่เริ่มแรกนี้ไปเลยจะได้มีกำลังใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะเพราะฉะันคิดว่าจะมีสองสามประเด็นที่เราจะมาคุยต่อในวันพรุ่งนี้ได้เกี่ยวกับบุคคลที่เกษียณอายุว่า ที่พึ่งของคุณจะเป็นอะไรแล <ทะ S 2> ้วการทํางานต่อไปเราจะทํำยังไงในวันคิดว่าเรามาคุยกันตอนนี้วันพรุ่งนี้ได้เจงก็คิดว่าต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะตามรับฟังต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ในรายการธรรมราบารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะเจงก็ออกอากาศพร้อมกันในระบบเอและ Fm ฟเนะคะเอฟ็มก็เกสิบส้ามกรนเฮิร์สและ AM ก็แปดรอเกสิอดกิโลเฮิร์นะคะซึ่งก็จ ะ, ะเป็น ช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะดีๆมาเสนอให้ฟังกันและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดก็รับรายการคือรับสัญญาณรายการธรรมารับรุณให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังด้วย พรุ่งนี้เรากลับมาพูดกันใหม่นะคะและจะพูดจาในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เฉพาะท่านที่จะเกษียณอายุราชการเท่านั้นแต่สําหรับท่านที่ใกล้วัยเกษียณหรือว่าอยู่ในวัยทํางานก็ตามก็จะได้แง่คิดที่ดีกันทีเดียวนะค ะ, คะสำหรับเช้าวันนี้ก็ดิฉันอยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบอขอพระคุณพระเอกพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภศส์หรือท่านพระคุณสิทธิ ป, ปรากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกและพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนท่านพระอาจารย์ผู้อํานวยการหล สูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหาโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วเราจะกราบมิมนท่านมาสักการะเรียนสนทนาธรรมะที่น่าสนใจใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตีห้าคือเปิดสถานีนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็กราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาและหลวงพ่อเจ้าค่อ